แต่ละก้าวแต่ละก้าวของการเดินธรรมญาตามันก็จะเป็นก้าวใหม่อยู่เสมอจะมีสิ่งใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราผู้คน ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือคนที่เราเดินผ่านตามรายทางรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับใจเรามันจะไม่เคยซ้ำนะมันจะใหม่อยู่เสมอและเป็นสิ่งที่ เราสามารถเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มพูนค ว, วามเรลยงอกงามในใจเราไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เรามีความเข้มแข็งทางกายดีขึ้นทั้งนั้นจากการเดินจากการเจออุปสรรคต่างๆมากมายธรไมยราครั้งนี้นะ <c oughs> ก็เป็นครั้งที่สิบก้าแล้ว แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะสำหรับคนที่เคยเดินธรรมยราตั้งแต่ครั้งแรกนะว่าผ่านไปเกือบยี่สิปีธรรมยราเนะี่ไม่เคยห่างหายไปลังนะจากอาภูแลนคาหรือลุ่มน้ำลำปทาวเลยปีแล้วปีเล่านะที่เราร่วมกัน เดินธรรมยาตราต่อเนื่องกันจนกระทั่งกล า, <c oughs> ายเป็นงานประจำปีไปแล้วในด้านนี้มันก็เป็นเหมือนงานรวมมิตรนะงานรวมมิตรประจำปีที่ผู้ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข ก, กันได้มาพบปะกัน แล้วก็ทำสิ่งดีๆร่วมกันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนอาชีพบางคนจะมีครอบครัวหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายอย่างแต่ว่าพอถึงปลายปีก็ร่วมมีนัดหมายที่จะมาพบกัน แต่มันก็เป็นมากกว่านั้นนะเพราะว่าแค่รวมมิตรอย่างเดียวมันก็เกิดประโยชน์ได้ไม่มากแต่ถ้าเอาความเป็นมิตรนั้นเนี่ยมาขับเคลื่อนนะให้เกิดสิ่งดีงามให้เกิดประโยชน์มันก็เป็นสิ่งที่ควรทําควรสนับสนุนและควรดําเนินให้ต่อเนื่องไปมธรรมญุตรานะ หลายท่านก็คงจะทราบดีแล้วว่าเป็นความริเริ่มของหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนท่านเคยเป็นเจ้าว่าที่นี่วัดปูเขาทองและต่อหลังก็ไปบุกเบิกป่าสุกโตขึ้นมาซึ่งที่จริง งานสำคัญอันหนึ่งคือการอนุรักษ์ป่าสุกโตเอาไว้ทำให้เป็นป่าที่หลงเหลืออยู่ท่ามกลางไร่มันไร่ข้อโพด ท, ทำกลางพื้นที่ที่ถูกหักร้างถังพงจนเตียนโรงหลวงพ่อพเฉียนท่าน ได้มาอยู่บนหลังเขาตั้งแต่สมัยที่ยังมีปลาอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ใหญ่ๆนะขึ้นหนานแน่นจนิดหลายคนโอบมีช้างนะแล้วก็มีเสือมีกวางสมัยที่ท่าน อยู่วัดป่าสุโกโตใหม่ๆนี่กว้างนี่ก็เชื่งมาดูมาใกล้ท่านนะเวลาหลวงพ่อสงน้ำอยู่ริมห้วยลำบะเทาเมื่อ40ปีก่อนนี่ก็กว้างแล้วก็ลึกแล้วก็มีสัตว์น้ำมีปลาแม้แั่มีจระเข้ จึงมีบ้านที่ชื่อว่าบ้านหวังเขคหนะวังเขคก็หมายถึงเป็นที่ชุมนุมนะเป็นที่อาศัยของจระเข้แต่ว่าธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่ถึงไม่ทันถึงช่วอายุคนป่าก็ถูกทำลายจนเตียนเกือบจะรอบเกิไปทั่วทั้งเขาลามไปถึง บริเวณที่เป็นเชิงเขาหรือยอดเขาด้วยซ้ำสิงสาราสัตว์ก็สูญหายไปเป็นจำนวนมากเพราะว่าถูกฆ่าก็มีเพราะว่าที่นอาศัยของมันถูกทำลายกลายเป็นบ้านเรือนคนบ้างหรือว่าที่ทำมาคือกลายเป็นเป็นไร่เป็นน า, าดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ ที่เคยบมรุงต้นไม้ให้งอกงามมันก็เริ่มจะแห้งเรียกว่ากลายเป็นดินที่ตายไร้ชีวิต ย, ยิ่งเจอสารเคมีปีแล้วปีเล่ามันก็แข็งกระด้างเวลาน้ำพัดพาพอฝนตกเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะซึมซับน้ำได้ เขาถูกน้ำชาร์ล้างจนทับถมอยู่ในลำปะทาวเขากลายเป็นตื้นเขินไปทุกทีแล้วก็คับแคบน้ำดูใสในบางช่วงแต่ว่าเต็มไปด้วยสารพิษที่มองไม่เห็นจัดน้ำก็ตายเดีย๋ยวนี้ผู้คนก็ไม่ได้ใช้น้ำ ลำดทาวเหมือนเคยถ้าจะใช้ก็ใช้เพื่ อ, อเช็ดล้างรถยนต์มอเตอร์ไซค์ซึ่งก็เท่ากับทำให้มันสกรปรกมากขึ้นตอนหลังก็มีการใช้ยาฆ่ามแมลงซึ่งเป็นอันตรายต้องสัตว์ทั้งคนคนก็เจ็บป่วยกันมากขึ้นหรือว่าตายผ่อนส่งตอนหลัง ไฟมันก็แว่เวืยนมาทุกปีทุกปีในช่วงหน้าแล้งเพราะว่าป่าที่เคยชุ่มชื้นมันกลายเป็นพงหญ้าแห้งกรอบในหน้า แ, แล้งพอถึงฤดูร้อนเนี่ยไฟก็จะลาไหม้ทุกปีทุกปีเป็นไฟที่เกิดจากคนจุดถางหรือว่าเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการเกษตร ในฤดูต่อไปน้ป่าก็หดหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆและสุดท้ายผู้คนก็เริ่มลำบากน้ำท่าก็มีน้อยลงน้ำน้อยแล้วยังใช้ไม่ได้อีกเพราะคุณภาพก็แย่พอถึงหน้าแรงในหลายแห่งก็แย่งน้ำกันใครที่อยู่ต้นน้ำก็สูบน้ำมาลดผักข้างล่างก็ ไม่สามารถจะเอาน้ำเนี่ยมาใช้ทำการเกษตรได้ในความเป็นอยู่ก็ฝืดเครืองนะถ้าจะพึ่งพาการเกษตรผลผลิตลดน้อยลงแต่ว่าต้นทุนสูงขึ้นเพราะไหนต้องใช้ยาฆ่ า, มาแมลงใช้ปุ๋ยหลังขาวซึ่งไม่เคยใช้ปุ๋ยนะในการทำไร่มัน เดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้อมาเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือเพื่อรักษาผลผลิตให้คงที่หลวงพ่อต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละนะท่านก็คิดว่าเราไม่ควรอยู่นิ่งเฉยโดยเพราะเคยได้ประโยชน์จากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ถึงแม้จะไม่ไอาศัยอ่า ธรรมชาติในการทำหากินแต่ว่าชาววัดเนี่ยเราก็จะอาศัยธรรมชาติในการประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมอาศัยความสงบสงัดอาศัยความเป็นถิ่นรมณีในการทำความเพียรมีป่าช่วยปกปัก ร, รักษาอันตรายต่างๆเพราะนั้นเนี่ยนะพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นภาะหรือโยมที่เคยอาศัยป่าอ า, าศัยธรรมชาติก็ควรที่จะทำอะไรสักอย่างนะเพื่อรักษาสิง่งแวดล้อมหรือว่าชะลอการทำลายนะให้มันช้าลงหลวงพ่อท่านก็นไปเดินเคยไปเดินธรรมยาตรารุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาปรนะ ม, มาณ ส, สักยี่สบกว่าปีก่อนนะ ตอนนั้นกลุ่มเซเคียทำเนี่ยก็ยังเข้มแข็งอยู่นะเป็นกลุ่มพระจัดเดินธรรมยานตารอบทะเลาสาบสงขลานะสามอาทิตย์ก็มีเป็นเดือนก็มีท่านเห็นท่านก็ท่านไปร่วมเดินแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยชักชวนลูกศิษย์ว่าน่าจะมีแบบนี้บ้างนะบน้องหลังเขาแห่งนี้มันก็เลยเกิดธรรมยาตราครั้งแรกนะปีสสาม ตอนนั้นเดินจากต้นน้ำาลับประทาวภูหลงหรือวัดป่ามหาวันเริ่มเดินก็มาสามสิบสี่สบชีวิตแล้วก็มาสิ้นสุดที่นี่แหละนะวัดภูเขาทองก็ปีต่อไปเราก็จัดเดินเงนใหม่แต่ก็ไม่คิดว่าจะจัดได้ต่อเนื่องจนมาถึงวันนี้ แล้วก็คิดว่าครั้งที่20ิบนะคือปีหน้าเนี่ยนะก็ก็คงจะเกิดขึ้นอีกมันก็เกือบชั่วอายุคนแล้วนะอายุคนนึงก็ชั่วอายุคนนึงก็25ปีธรรมยาตายบางคนมาสัมผัส ต, ตั้งแต่เป็นเด็กตอนนี้ก็มีครอบครัวไปแล้วแต่ก็ ยังนึกถึงแล้วก็มาร่วมเดินอยู่ตามโอกาสที่มีทำให้อัตรานี่มันมันมีลักษณะพิเศษนะจะว่าทุดงก็ไม่ใช่นะแต่จะค่อนไปทางคล้ายๆจาริกสว่งบุญมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่เหมือนกันมันเป็นทั้งงานมหกรรมแล้วก็การปฏิบัติธรรมนะควบคู่กันเลยมหากรรมเพราะว่า จะมีกิจกรรมต่างต่ะเกิดขึ้นโดยเพราะเมื่อข้างแรมนะที่ใดที่หนึ่งก็ตามซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโรงเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นวัดก็จะมีกิจกรรมเช่นเซวนาบรรยายมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นนักสืบสายน้าแต่ก่อนก็มีการจัดเท ศ, ศการด้วยเป็นเท ศ, ศการเคลื่อนที่ แล้วก็มีกิจกรรมแต่ละจุดแต่ละจุดเพื่อทั้งหมดก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นกับระบบนิเวศที่จริงการเดินเองเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความตื่นตัวนะให้กับชุมชน2ข้างทางเพราะว่ารหว่งที่เราเดิน เราก็มีการกระจายเสียงนะเป็นครั้งคราวเป็นจุดๆเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ป่ากลังยาตายแม่น้ำลวมป่วยแผ่นดินเป็นน้ำมพาพัดแล้วก็เพื่อเขารู้ว่านะถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมกันเป็นป่าเป็นเสียงนะเป็นตัวแทนของธรรมชาติ อีกส่วนนึงก็เป็นการปฏิบัติธรรมโดยเพราะระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็ปฏิบัติธรรมไปในตัวเราไม่ได้เดินขบวนเราไม่ได้เดินพาเรดแต่เราเดินอย่างสงบทุกเช้านี่เราก็จะมีการภาวนาวเนี่ยเราจะเดินด้วยความสงบยังมีสติเพื่อสันติสุขในใจเราถึงแม้เรา มาร่วมกันที่นี่นะเพราะว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติแต่ทุกก้าวที่เราเดินการที่เรารักษาความสงบและสันติสุขในใจเราก็เป็นสิ่งสาคัญการปฏิบัติธรรมเนี่ยของธรรมยาตราก็แตกต่างจากการปฏิบัติธรรมทั่วๆไปเพราะส่วนใหญ่เขาก็ปฏิบัติกันในวัดก็นั่งอยู่นั่งนิ่งๆ ปิดตาตาลมหายใจบ้างหรือว่ายกมือสร้างจังหวะมีการเดินจงกรมบ้างก็ต่างคนต่างเดินแต่ว่าปฏิบัติธรรมของธรรมยาตฐานี้่เราเดินไปพร้อมๆกันแล้วก็ไม่ใช่ปฏิบัติกันในป่าในสถานที่ที่สงบไม่มีสิ่งรบกวนไม่ว่าจะรบกวนหูรบกวนตาหรือว่ามีสิ่ง มารบกวนกายต้องข้ามธรรมยาตานี่เราเราเดินโดยที่บางทีก็มีเสียงดังจากถนนจากรถที่แล่นผ่านไปผ่านมาบางทีก็มีเสียงดังนะจากชุมชนที่เราเดินผ่านแล้วก็บางครั้งก็มีเสียงดังจากคนที่เดินอยู่ข้างๆเราเพราะบางคนก็อาจจะเผลอเดินเดินไปพูดคุยไปหยอกล้อกันไป แต่ไม่ว่าเสียงมันจะดังอย่างไรเราก็รักษาใจให้สงบจริงๆมันไม่ใช่แค่เสียงนะแดดที่ร้อนบางช่วงหรือว่าตอนบ่ายนก็แผดเผามันไม่ได้เผาหัวอย่างเดียว น, นะบางทีเผาเท้าด้วยแม้บางคนจะไม่ได้เดินถอดรองเท้านะแต่ว่าไอ้ความร้อนบนถนนเนี่ยมันก็สามารถทําให้เท้านี่บวมได้ แต่แม้ก น, นั้นเนี่ยเราก็สามารถจะรักษาใจให้สงบได้ไม่ใช่เพราะความอดทนไม่ใช่เพราะความกั้มเกืนฝืนทนมันมีวิธีที่ดีกว่านะั้นคือเดินอย่างมีสติเดินอย่างมีสมาธิมันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาเดินเจริญสติกันถึงแม้ว่ามันจะยากกว่ามันเจริญสติในวัดในห้องพระหรือว่าในห้องติดแอแต่ว่า สานการมก็บังคับให้เราต้องเจริญสติความทุกข์เนี่ยมันจะกระตุ้นให้เรารักษาใจให้มีสติให้ได้เพราะถ้าใจไม่มีสติมันก็จะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจอันธรรมยานะนี่มันก็เป็นการอาศัยความทุกข์นะมาช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยได้ระดมธรรมะที่เรามีในใจหรือว่าเสริมสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นในใจ ไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิปัญญานะเพื่อช่วยทำให้ใจเราเย็นได้แดดแรงกายร้อนนะแต่ว่าใจเย็นได้ถ้าไม่มาเดินธรรมยาตาก็อาจจะไม่เห็นตรงนี้ทันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่า มันจะช่วยให้ทําให้การปฏิบัติทําได้ก้าวหน้าทีเดียวนะเพราะว่าเหตปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะมันมากระตุ้นมากดดันหรือว่าบีบคั้นนะให้ต้องรู้จักหาทางรักษาใจไม่ให้ไปจดจ่ออยู่ความปวดความร้อนความเมื่อยไม่อยู่ที่ใจเฉนั้นถ้าเรารักษาใจของเราได้เนี่ยการเดินธรรมะตาก็จะ เดินได้อย่างสบายแม้ประสบทุกข์นะก็ยังพบสุขที่ใจประสบทุกข์เนี่ยคือทุกกายนะแต่ว่าเราสามารถจะพบสุขได้ที่ใจมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะนถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ธรรมยถ า, ยาถ้าจะถ้าจะพูดสรุปนะถึงความหมายของมันเนี่ยก็คือการเดินเพื่อธรรมธรรมะนี่ แปลว่าความถูกต้องความปกติเรามาเดินเพื่อฟื้นฟูความถูกต้องหรือเรียกร้องความถูกต้องให้กับธรรมชาตนะิธรรมชาติเจอสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเจอการเบียดเบียนเจอการทําร้ายเรามาเดินเพื่อ น, นําความถูกต้องหรือเรียกร้องความถูกต้องให้เกิดขึ้นนะกับธรรมชาติให้ผู้คน มีความรักมีความโอบอ้อมอารีนะกับธรรมชาติการเดียวกันก็เพื่อความถูกต้องในใจเราด้วยความถูกต้องในใจเนี่ยหมายความว่าความปกติเป็นเพราะมนุษย์เราเนี่ยไม่มีความถูกต้องในใจนะเรปล่อยให้ความโรคเข้ามาครองใจเรปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมาเป็นใหญ่มนุษย์เราจึงทําลายธรรมชาติจนกระทั่งเกิดวิกฤตกระจายกันไป ทั่วทั้งโลกอย่างที่เราทราบดีแล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่ อ, อยๆนี่ถ้าเกิดว่าเรารักษาใจของเราเนี่ยให้มีความถูกต้องการที่มนุษย์เราจะไปเบียดเบียนเอาเปรียบธรรมชาติก็น้อยลง ก, การที่เราเห็นว่าธรรมชาติไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาสนองกลนเปรอความต้องการของเราแต่การที่เราเห็นว่ามนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่จะต้องเกื้อกูลกันความเห็นแบบนี้แหะนะมัน เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความถูกต้องและถ้าเราสามารถจะทำให้ความคิดของเรามันเป็นความถูกต้องถึงทางพยาว่าสัมมาสังกัปปะก็คือการคิดที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมที่เป็นเหมือนกับบุปการีบุปการีนี่มันไม่ใช่แค่พ่อแม่เดียวนะผู้ที่ทำคุณหรือ ทำประโยชน์ให้เราไว้ก่อนเนี่ยเช่นธรรมชาตินี่ก็เป็นอุปการีนะดังนั้นถ้าเรามีจิตใจที่กตัญญูนึกคิดไปในทางที่เกื้อกูลนี่มันก็เป็นความคิดที่ถูกต้องนะสัมมาสังกัปปะยิ่งถ้าเราเห็นคุณค่าของการอยู่แบบเรียบ ง, ง่ายได้มาเดินธรรมญาติตาแล้วพบว่าความสุขเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะไม่ใช่จากการเสพมากๆจากการเอาอยิ่งๆการอยู่ง่ายๆ เศบบริโภคพร้อรมไม้ก็ทําให้สุขได้แล้วก็สุ ข, ขการมีมากๆากด้วยว่าไม่ต้องเหนื่อยการไปสแสวงหาไม่ต้องเหนื่อการรักษาไม่ต้องกลัวว่าใครจะขโมยมาแย่งจริงออกไปนั้นบทเรียนหรือประโยชน์ที่หลายคนอาจจะได้พบก็คือความเรียบง่ายเนี่ยมันก็ทําให้มีความสุขใจได้เหมือนกันความคิดแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นเนคขมมะสังกปักภาษาเป็นภาษาบาลีนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราเข้าถึงหรือทําให้เกิดขึ้นนะในใจของเราในความคิดของเราได้ความถูกต้องในใจเราเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นนะก็ถือว่าธรรมะเนี่ยได้ปรากฏขึ้นแล้วธรรมยาตราเเราเดินเพื่อความถูกต้องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและเพื่อความถูกต้องในใจเรานอกจากเดินเพื่อธรรมะแล้วยังเดินด้วยธรรมะด้วยนะธรรมยาตราความหมายเนี่ยคือเดินด้วยธรรมะธรรมะในที่นี้นคือ ความเมตตากรุณาความสงบสติสมาธิอย่างที่บอกนะว่าเนี่ยเราจะเดินด้วยความสงบอย่างมีสติเราจะใช้ธรรมะเนี่ยในการขับเคลื่อนกายและใจของเราทุกกรั้งที่เดินเราจะไม่เดินเหมือนที่เคยเดินไม่ได้ปล่อยใจลอยหรือว่ า, าส่งเสียงดังเดินอย่างสงบอย่างมีสติเดินอย่างมีสมาธิเดินด้วยความสำรวม เดินด้วยความเคารพในสถานที่และเมื่อเราเดินด้วยธรรมะแล้วเนี่ยเราจะได้รับอนิสงส์แห่งธรรมะธรรมะจะรักษาเราฉั้นความหมายหนึ่งของธรรมยาตรายก็คือเดินในธรรมะเดินในอารักขาของธรรมะถ้าเราเดินอย่างมีสติสมาธิเนี่ยนะสติสมาธิก็จะรักษาใจเราไม่ให้ทุกข์แล้วก็ช่วยทําให้กายเราไม่ทุกข์มากด้วย พอทัศใจเราทุกข์นะมันก็จะไปซ้ําเติมกายให้มากขึ้นความเจ็บความปวดมันก็จะเพิ่มพูนหรือทวีขึ้นถ้าหากว่าใจเราเป็นทุกข์ใจเราเครียดนะธรรมะที่เรานํามาใช้ในการเดินเนี่ยมันจะอารักขาเราจะปกป้องเราและนอกจากสติสมาธิแล้วนะเมตตากรุณาของชาวบ้านเนี่ยก็จะ ดูแลเราด้วยกาเดินทธรรมอเมตตานี่เราสามารถจะเดินตลอด8วันหรือว่ามีชิตอยู่ได้อย่างสุขสบายตลอดทั้ง8วันโดยไม่ใช้เงินเลยก็ได้เราเอาท้องเราเนี่ยไปฝากไว้กับความเมตตาของชาวบ้านของผู้คนนะเมตตากรุณาของชาวบ้านเนี่ยสข้างทางเนี่ยเขาจะช่วยทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขด้วยจริงๆไม่ใช่เฉพาะ ธรรมะในใจของชาวบ้านท่านนะธรรมชาติก็จะอารักขาเราเหมือนกันหลายคนจะพบว่าหลายคนจะรักต้นไม้มากขึ้นเพราะต้นไม้สองข้างทางนี่จะคอยช่วยกันร้อนกันแดดให้เราแดดร้อนแค่ไหนพอได้เจอร่มเงาของต้นไม้นี่เราจะมีความสุขกันมากเลยและเราจะขอบคุณต้นไม้ทุกต้นน้ริมทางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกขอบคุณมาก่อนอันนี้ก็เป็นอารักขานะของ ธรรมะนะที่มานุรังธรรมชาติหรือแม้แต่ก้อนเมฆนั้นธรรมยาตาเนี่ยนะก็ให้เราเข้าใจว่าเรามาเดินเพื่อธรรมะเดินด้วยธรรมะแล้วก็เดินในธรรมะถ้าเราเพียงแค่เดินธรรมยาตาในความหมายแรกเนี่ยมันก็จะนำไปสู่อ น, นิสงส์หรือว่าความหมายของธรรมยาตาในอีกสองความหมายได้เพราะฉะนั้นเราก็ให้พยายามปรับตัวปรับใจของเราเฉ พ, เพาะผู้ที่ เพิ่งมาเดินปีแรกเราจะมาเดินด้วยความคิดใหม่ด้วยท่าทีใหม่แล้วก็มันจะนํามาซึ่งใจที่ใหม่ชีวิตที่ใหม่ด้วยเราก็จะมีการพูดคุยกันอย่างนี้นะไปเรื่อยๆทั้งหลังทําวัดเช้าหลังทําวัดเย็นแล้วก็ในระหว่างทางเพื่อช่วยเตือนใจให้เราได้ตระหนักว่าหรือเราลึกว่าเรามาเดินเพื่ออะไรเรามาเดินทําไมและควรจะเดินอย่างไรแล้วก็เท่านี้ก็ยุติเท่านี้ก่อนปราบภาพพร้พมอมกัน